นี่เป็นสิ่งที่ที่เป็นปกติของคนหนึ่งเนี่ยคือไอ้จักเราพูดอยู่ว่าอย่าง เอาเท่าเท่าๆกันในส่วนอ่าระบบองค์การเกี่ยวกับการเห็นตีอย่างเท่ากัน เออเห็นเขาชื่อกระเป๋าสวยเห็นหน้าบะปาดกระเป๋าเน้นมากนะเห็นไอ้ส่วนอื่นที่ตรงจุดไหนไอ้ส่วน คือๆเนี่ยบางทีไอ้ตอนเห็นว่าจะเห็นหมดแล้วแต่ว่า มีเวทีอยู่ตรงกลางหน้าลานหันนั่งตรงมุมนะหรือนั่งในที่ไกลอีกคนนั่งในที่ไกลคน แต่เล่าข้อมูลให้ฟังพี่ก็ไม่เล่าทําไม ที่จะเข้าไปวิจารณ์ไอ้ตัวจิตเห็นจิตไปยินจิตไปสัมผัสจิตเห็นลดจิตถูกต้องเนี่ยมันคือก็ต้องเจออย่าง คนหนักให้เป็นเบาไปด้วยโดยบรรยายแล้วก็ได้สติปัญญาความรู้ด้วย ทางจิตวิญญาณของเรากันมามากพอมากแล้วในเมื่อเรามาศึกษาเรื่องนี้หรือ ที่มันเกิดขึ้นหมุนเวียนในตัวเราอยู่ตลอดเวลาหยาบบ้างละเอียดบ้างไอ้ตรงนี้น่ะในส่วนหยาบนั้นเราเข้าใจกันอยู่เป็นวันผัดจมูก มีมีนั่งๆอยู่มีสะเล็ดอันคอนิดเดียวจะต้องผมต้องปุ๋ยออกเป็นกุศลนิบาตหรือก็ชาวกรรมมายุ่งเกี่ยวชีวิตมากเกินไปแหละเอ๊ะถ้า ก็ก็ใช่แต่บางทีมันก็ไม่ออกเหมือนนะจะมาเล่นมันก็อย่างที่ผมไปปฏิบัติธรรมสถานที่ปราจีนบุรี ต้องนั่งกับแอมกับในห้องอ่ะไม่รู้จะไปนอกห้องเดี๋ยวเลยต้องแต่งกายสุขควรแล้วน้องกันเออนี่บางบางกายเราเนี่ยไอ้ลูกศรที่มาถอนยากบางนะ ที่เป็นอย่างนี้หนักบ้างเบาบ้างอย่างไรน่ะมันอยู่ที่กําลังของบาปกําลังของบาปที่ได้ทําหน่อยๆหน่อยเนี่ยเหมือนแต่ว่าๆชีวิตนะบาง เนี่ยๆโรคบางโรคเนี่ยพอเป็นขึ้นมาแก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะเรามีช่องมีตัวเราเองอาจจะรู้รู้คนในแล้วพอเป็นโรคนี้ไม่มีคนแก้ให้ได้เพราะ แต่ดูว่าใครที่มีปัญหาชีวิตจะยังอยู่ยังแรงอยู่แต่เวลาให้ผล เราถึงว่าเราถ้าเรามีอกุศลบาปอันใดไว้หรือทําอกุศลอะไรอยู่กรรมที่เป็นบาปอะไรอยู่เนี่ยต้องทํากุศลแก้ไว้เป็นพี่เลี้ยงวัดถึงแม้ว่าเราจะล้าง อายุสอนให้ผลข้างล่างก็แยกต่างให้ผลอย่างเงี้ยนะอ่าถึงว่าถ้ามีอุปโสมนิบาตตรงนั้นเราอุปโสมแล้วก็ทําไว้ ให้ได้ในชีวิตของเราได้ในชีวิตของเราอ่า แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเรามีโรคข้างนั้นพูดว่าเราเป็นคนไม่มีโรคชีวิตเราปกติ ทางลิ้นในลิ้นเสียก็ห้ามได้แต่ทางกายเนี่ยครับจะไปอยู่ที่ไหนห้ามไม่ได้ไอ้ไอ้ก็จะ ไอ้แต่ว่าก็เห็นเนี่ยแต่ว่าไอ้ข้างจากไอ้ไอ้ไอ้โทษภาก์ข้างในจริงๆที่เป็นอย่างนี้จริงเป็นเรื่อง along อย่างลงของที่ตัวนี้บ่าตัวนี้บ่าอย่างของเราหนีไปไหนหนีในโพฤตวันเราจะไปไหนก็ต้องเอาตัวไปด้วยเอากายะประสาทไปแต่ เราจะหนีข้างในไม่พ้นหนีผลร้ายข้างในไม่ อ่ะเป็นอายุอาคู่ขาเหยียดออกทีคู่ขาเข้า ดาวโคตินะโคตนิบา 10 ดวงนี้ผ่านไปก็ขอย้ําวันนี้ การเราก็จะเรียกว่าคมหรืออยู่เหนือความรู้สึกมันได้เราก็จะเรียกว่าข่มหรือ อุบัติเหตุนั้นแปลว่าเหตุให้เกิดคืออุบัติตินั้นแปลว่าเกิดเหตุครับผลที่เกิดขึ้นเช่น เราเรียกอุบัติเหตุตามปริญเราเพ่งไปที่ผลผลที่เกิดขึ้นแต่ในภาษาทางธรรมะนั้นอุบัติเหตุ 10 เป็นอุบัติอะไรครับอุบัติ 10 เป็นอุบัติผล อ่าจักสู่วิญญาณ 2 ใส่ลง 2 เลยก็เนื่องจากว่าทั้งกุศลนิบาตและอกุศลนิบาตนั้นมีเหตุที่ทําให้เกิดซึ่งหมายถึงเหตุใกล้เหตุใกล้ ไม่ว่าจะเห็นรูปว่าจะเห็นรูปเพราะอกุศล 4 นี้เหมือน 1 คือจักขุประสาทได้ 5 กะละกันครับเพื่อจะได้ไม่ตา หูเป็นเหตุจมูกหรือลิ้นหรือกายเต็ม 7 เฉพาะหน้าตัวนี้เนี่ยเกิดจากกุศล ปัญจประสาทของเรานั้นเกิดจากชนกกรรมที่เป็นกุศลวิบากหรือเป็น ตาที่เกิดจากกุศลอกุศลถ้าบอกว่าเสียงเกิดจากกุศลดิก็บอกว่าถ้าเกิดจากกุศลแล้วไม่ตาเหมือนกันน่ะคําตอบในทางหลักก็ตอบเนี่ยว่า อาการหนังหำนี้ก็เพราะถูกอกุศล แต่ตาของบางคนคุณภาพดีบางคนคุณภาพน้อยหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันนะบางคน 31 ภูมิเมตตามีแค่เราเก่ง การเจรตาที่เราเห็นได้ไกลๆเป็นที่อัศจรรย์เนี่ย จะต้องดีๆตาอรหันต์อะไรก็แล้วกันแล้วกรรมนั้นมาให้ผมสร้างตาของตัวในชาตินั้นก็เนี่ยก่อน ไอ้ไอ้ตัวนี้มันหมายถึงไงตาสังฆาละจักสุไม่ไปทําตาปะละปะเหลือกใส่ละนะใส่แต่ ต้องใส่เลนส์ไอลีนตานี่เวลาจะเลาะกับสามีกันเดือดร้อนทุกปีอ่ะเดือดร้อนช่วงที่เลนส์หลุดอะไรอย่างเงี้ยจะ เลยทําให้มีความแตกต่างกันมีคือคําตอบนะทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกันทีนี้ที่จะว่าให้ความก็คือว่าตาของมนุษย์ทุกคนนั้นเกิดจากกุศลวิบาก แต่จักขุวิญญาณนั้นหรือมีคําถามนะโสตวิญญาณก็เช่นเดียวไม่ไม่ไอ้ตรงนี้ฮะเป็นเรื่องแม่มุมของ นึกก็ไว้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ทําทันทีนะจะจะเปิดพูดในภาษาๆเหล่าเนี้ยที่ยังชื่อจะพูดในต่าง ไอ้เกิดจากสุวิญญาณอกุศลวิบากเข้าดีนะครับบางทีตาดีเนี่ยมันกลับไอ้ชักนะที่เออคนนี้นะอ่าเพราะ หน้าตาสวยงามมากเขาเจ้าดินเลยให้เป็นอ่ายักษ์มกรโกปณีไปสมัยก่อนนะหรือเลยทําให้มีคนมาหลอกมาลวงเพราะเป็น แล้วเราก็เห็นว่าคนดีบางคนนี่จะเป็นดีในทางความคิดทางอนามธรรมทางรูปธรรมทางระบบประสาทตาหูจมูกลิ้นกายแม้กระทั่งดีในทางการประพฤติธรรมมีสมาธิจิตดีอะไรดีแต่ไปทําปรากฏขิดทําอะไรถ้าเกิดมันทั้งดูไม่ถึงเหมาะสมไปเนี่ยมันก็กลายเป็นฐาน ไอ้ไอ้เรามีดีแล้วเนี่ยมันจะต้องเลว มันมีบางทีก็เกิดกิเลสด้วยเราได้ใช้สิ่งดีเหล่านั้นรู้ไม่ได้ไม่จําไม่พูดว่าใช้ทําไมใช่เกิดกิเลสนะเพราะเราได้ดีอันนี้ในกุศลอ่าได้สิ่ง เป็นเครื่องมือเลยกลายเป็นคนบาปเลยตกนรกหมกไหม้ไปแต่เรื่องนี้น่ะก็อย่าอย่าคิดเฉพาะในส่วนของวิบากนะแม้อกุศลที่บาปมาเลยดึงอกุศลมาก็มีมา บางทีมันดึงกุศลวิบากมาได้กันทั้งคู่ฉันใดเราได้อกุศลเนี่ยได้กุศลวิบาก เพราะตัวพระกุศลที่บากอย่างอย่างเป็นข้อๆต้องหมดเนื้อหมด จึงได้นี่คือคนที่เป็นพระอริยะและยังไม่มีนี่ 2 คนแล้วครูสมก็เลยตามมีเผาะได้กัลยาณมิตรดี กุกรรมนี้บาทให้ให้ได้ทั้งคู่และต้องใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดกุศลกรรมให้เกิดการทําด้วยกันทั้งคู่ช่องนึกเรื่อง อย่างยอดเยี่ยมในทางศาสนาพุทธท่านยืนที่ พสล. เราจะเปิดอบรมบรรยายเรื่อง แต่ว่าเป็นเรื่องที่ที่น่าศึกษาอย่าง ดีมากแล้วอื่นๆก็เป็นเรื่องอื่นที่ ปสล. ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องญาณ 16 แต่ว่าญาณ 16 ทุกๆแง่มุมแล้วมันก็ไอ้ทุกขังอนังขังก็มีอีกธาตุลมวินธาตุลม อายุเนี่ยตามจบแล้วก็อ่าตรงนี้จริงๆเครื่องยืนยันนะฮะว่าถ้าคนใดคนหนึ่งมีระบบประสาทไม่ ใช่มั้ยแต่ถ้าเราก็เอากี่โลหะหูดีอย่างอีกพูดดียังเปรียบต่างกันเรา คุณคุณโนบี้ที่เข้ามาเป็นล่ามให้ผมเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ 3 เดือนมยุรีไม่มีความหมายโน ผมก็นึกว่าเขาจะเรียกผมผู้เล่นนะพอลุ่งขึ้นอีกวันเพิ่งเป็น นี่ครับบอกว่าวันจะกลับเนี่ยผมก็ไปทําวิธีโสดน้ําบุธิษ อารมณ์บางอย่างถ้าเรารู้แล้วเรารับแล้วรู้แล้วมันเกิดอกุศลเนี่ยไม่รู้ดีกว่านะรู้แล้วเกิดอกุศลก็ไม่ นอกเป็นวิธีแต่เป็นวิธีเล็กๆวิธีของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าในอินทริยภาวนาคือ ผลอบรมภาวนาตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการติดตามให้เห็นพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านๆว่าไอ้น้ํา ในน้ําข้าน้ําปล่อยเราเอามากรองเนี้ยกรองเราก็จะได้แต่น้ําดีไอ้ไม่ ก็ต้องปิดถ้าเรื่องนั้นมันไม่สมควรจะต้องไปกันที่เรียกว่าลีกบางเรื่องก็ลีกไป ดาวพระโลหชัยอ่าวิธีการนั้นสู้ในเวลานั้นไม่ใช่ว่าวิธี ก็ไม่เหมือนจะทุ่มไม่ได้ที่แท้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในทางหลักปฏิบัติ เราก็จะต้องมีเครื่องคุ้มครองคุ้มครองพอเมื่อมี กรรมทั้งหลายนั้นมีโทษท่านบอกแล้ว 2 เป็นคู่ฝาคู่ตัวกันจักสู่วิญญาณที่เป็นอกุศลนิบาตก็รับรูปารมณ์ที่ดีที่เป็นอกุศลนิบาตก็รับอารมณ์ที่ ตารับอารมณ์ที่ไม่ดีวิญญาณที่ไม่ดีรับอารมณ์ที่ไม่ดีมาปรากฏที่ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์รกเกิดอนุรกายก็ตามไอ้ตรงนี้ที่เราเคย อาจารย์นะอย่างเช่นกายัพปราสาทของอ่าศึกนรกในโลกันตระนรกเนี่ยคุณภาพ ใช่มั้ยของมนุษย์ก็ทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วแต่อ่าความหนาแน่นของกุศลนิบาตกุศลนิบาตของใครแค่ ก็อยากเป็นอมภพเพราะว่าในนรกเนี่ยหาสาที่เป็นอมภพ ปักขกตะลุหลังตายทุกคนอาจจะมีปักหัวหัวออกก้นจากข้างหลังมาข้างหน้าเออไม่ตายตั้งแต่ทางเผาไม่ตาย ที่มีระบบประสาทคือจากอากุโลมิบางเช่นสุนัขทั้งหลายจะเป็นสุนัขที่เจ้าของเค้ามันก็ต้องได้เสพได้ อาจจังหวะของตัดเวไรฉานพวกนี้เมื่ออตภาพเกิดจากอกุศลวิบากเนี่ยกุศลวิบากที่เป็นภายนอกหรือทาง มีอุปาลมสถาลมกันธาลมที่ดีกว่ามนุษย์บางคนที่อยู่ในสลัมหรือ ไปบวชไปเรียนได้ไม่มีครับนี่มันมันมีผลน้อยเล็กน้อยการ ต่อการเห็นนี้ทั้งนั้นและการปลุกจิตทางมโนทวาร มันอย่างดีกว่าไงก็เป็นคนที่ขดยากยากจนแต่พอเห็นคนตายถึงจะเป็นขอ ให้การช่วยเหลือดูแลแก้ไขบ้างต่างสมควรแล้วก็ยังไงก็เอา <c oughs> ธรรมอะไรคือเสริมอารมณ์ 5 แต่ละส่วนแต่ละตัวของ ในอุณาคมพวกมีก็คือสิ่งที่ถูกต้องได้ดินน้ำไฟลมก็อาศัยอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องได้ถ้า เว้นแต่ว่าเทวดานั้นทําได้หยับหรือผู้มริตทําอาโปตัตตภาวะนั้นถ้าเราจะ รูปาลมสัตาลมมณฑาลมนั้นเราก็ว่าได้ยังช่องว่างเนี่ยเราจะถือ แต่เราก็พอจะอยู่ในสายอยู่ในเครือหรือน้ําจืดแต่ไปละลายลดที่ บริเวณส่วนเข้าไปนามโดยสุดนั้นก็เป็นตัวบางที หรือแสงสว่างที่ปรากฏในนรกขุมนี้จึงไม่เอาแน่ครับเรื่องปัจจัย 5 เนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าบางทีมันเป็นของดีบางทีมันเป็นของไม่ ข้างใดคํานั้นไปเลยสําหรับมนาธิการตัวนี้อิสระจาก เอ่อตรงนี้เปะอธิบายกันมาแล้วนะฮะแต่อธิบายคร่าวๆเท่าที่ เอา ибо ใดยันติดซึ่งบาปส่งผลดําเนินมาก็ให้เพื่อ มันก็เป็นบุญและเป็นบาปเมื่อทั้งสันติวนะดับแล้วโยสภาวะตัวนี้เรียกว่ามาณัตติการไตรใจเป็นตัวตัดสินคือกําหนดว่าอารมณ์นี้ควรจะเกิดกุศลจวนะหรือควรจะเกิดอกุศล อ่าสืบเนื่องมาจากปัญจวิญญาณเอ่อของธนภัยให้มัธยการตัวนี้คือเป็นตัวใส่ใจให้เกิดของ ที่ว่าใส่ใจให้เกิดทวิปัญจวิญญาณจิตนับแปลว่าถ้าปัญจทวาราวจนะไม่ตื่นไม่ลำพึงถึงอารมณ์ ผลบาดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะไม่ปรากฏท่านจึงเรียกปัญจทวารารวจนะว่าเป็นมนสิกาณในที่นี้คือสัมผัสปัญจทวารารวจนะนั้นจึงถือ เมื่อดับไปแล้วจักขุวิญญาณจึงเห็นโสตๆคนจะเห็นอย่างไม่ มาพูดตรงนี้ขยายความกันนิดนึงคือเมื่อเมื่อเราว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นน่ะมันอยู่ที่แต่การตั้ง เหล่านี้โสดตั้งใจจะสดับว่าเขาจะพูดอะไรหรือพระ จับชวนก็ไม่ได้ไม่ต้องชวนมึงก็ใส่ใจให้มันนี่แหละไอ้ไม่มี ก็ไงว่าเป็นหนึ่งในเหตุ 4 อย่างคือเมื่อมีประสาทคนๆแล้วก็มีแสงตะวันมา จักสู่เป็นปกติน่ะมีอยู่แล้วก็ปัจจัยเสริมห้าอย่างนั้นมีอยู่ก็ปัจจัยเสริม 5 อย่างนั้น มีอยู่ก่อนอยู่ก่อนเป็นเรื่องต้นเป็นปกติเมื่อมาประชุมธรรมมหัตกิจการก็เกิดแต่เพราะว่า ในที่นี้น่ะเขา หลังจากทวาราวชนะก็เกิดตื่นขึ้นในอารมณ์ทั้ง 4 อย่างนี้เมื่อประชุมพร้อมกันแล้วทํางานเกิดอย 4 อย่าง สามอย่างข้างหน้าเหลืออยู่อย่างข้างหน้าเหลืออยู่คือปสาทนั้นไม่ได้ดับไปยังคงอยู่ มาณที่การทําไมจึงว่าดับไปปัญจธวาระวจนะนั้นเกิดแล้วดับใช่มั้ยทําไมดับจะสุวิญญาณเกิด รับอารมณ์มาให้แล้วตัวก็ดับไปสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือก็ดับไม่ ปัญญาวิญญาณเฉพาะมนติการเท่านั้นอีก 3 นั้นยังคงอยู่ข้างไปเผชิญหน้ากับทวิปัญจวิญญาณ 10 อยู่ 2 ชั้นแต่ชั้นที่เรายอมรับกันโดยแต่เมื่อมีการตัวนี้น่ะเหมือนกับว่ามัน ท่านตั้งใจจะมาฟังธรรมะในชั่วโมงนี้ท่านใส่ใจมาตั้งฮะดู มีประเด็นน่าสงใจตรงนี้ท่านก็ใส่ใจแต่เรารู้สึกว่ามันสําคัญมากนี้ถ้าผมถามว่าถ้าเราไม่มีความใส่ใจ เช่นสมมุติว่าเราเอาเทศน์ธรรมะไปเปิดในรถได้อยู่ๆก็เปิดขึ้นมาได้ยินได้มีมันจะมี ไม่แน่แล้วคือดูเอาเข้าจริงแล้วไม่แน่บางทีใส่ใจอย่าไปฟังอ้าวเกิดใส่ใจก็ตัว เป็นเหตุไกลแต่ไม่เอาแน่ไม่แน่แต่ถ้าปัญจฆวารวจนะเกิดขึ้นอารมณ์ทรณปัญจฆวารวจนะเกิดขึ้น และเมื่อเหตุ 4 อย่างนี้ประชุมพร้อมกันแล้วคนนั้นจะปฏิเสธการได้ เรเรานั้นทําความใส่ใจว่าจะวิถีก่อนวิถีนี้เกิดเราปฏิบัติได้ควรจะปฏิบัติว่าจะต้องฟังให้ได้จะ เราอยากที่จะรอจนกว่าจะถึงเวลาอ่ะก็หลับไปก่อน 50 บางคนก็ปฏิบัติไม่ได้แต่ในแง่ของเอ่อการ จงต้องทรงจําเอาไว้จงจําเอาไว้เรากล่าว อุปาเจตนาต่างๆเนี่ยมันเป็นไปนาที <_ C 1> 15 นาทีนะฮะเดี๋ยว